ตัณหายะววจรันตานงตัณหาคาตั้งนามามิหังโรเซนเทเนวโกเปติโรเซเฮวานกุญชติโรราคังราคาอาทีงโรคหันตั้งนามามิหัง ปุณันตังอตาตโนปังปุเรนตังทัสสะปารมีปุญญวันตสราชาสาโปตโพตังนา ม, ามิหังริปุราคาทิภูตังวาริทธยาปฏิหันยติ เรตังกัมมังนัคเเรตาเรียวังสังนามามิหังสัมปันโนวรสีเรนาสมาธิปวโรชิโนสยามภูญาณสัมปันโนสันสวะจังนามามิหังทันโตโยสักจิตตานี ทมิตาวาสเทวาคังททาตันโตอามาตังเขมังทันตินตรีังนามามิหังมโหสาเหนสัมบุตโธมหันตังยานามาขมิมหิตังนระเทเวหิมโนสุทังนามามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงเผยแผ่พระธรรมอันเป็นกุศลทั้งการมาวาจรกุศลรูปาวาจรกุศลเรูปาวาจรกุศลและโลกุตระกุศลทรงขยายการแสดงธรรมให้กว้างขวางออกไปข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงช่วยกำจัดตัณหาของสัตว์ทั้งหลายผู้ผ่านอยู่แล้วด้วยความอยากต่างๆนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงโกรธผู้ที่ โกรธเอาไม่ทรงพรอยโกรธไปกับพวกคนโกรธข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้กำจัดโรคคือโรคทั้งหลายมีราคาเป็นต้นได้หมดสิ้นแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ขจัดบาปของพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสาสิบทัสผู้เป็นพระโอรสของพระราชาผู้มีบุญ พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงกรรมจัดเสียได้ซึ่งสิ่งอันเป็นค่าศึกมีราคาโทสะโมหะเป็นต้นด้วยพระบุญญาฤทธิ์ไม่ทรงยังสัตว์ให้ทํากรรมที่เปร่าประโยชน์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นวงอริยนั้นพระชินาเจ้าพระองค์ใดทรงถึงพร้อมด้วยพระศีลมีพระสมาธิ และประเสริฐ ด, ด้วยพระส ย, มยามภูญาณอย่างยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมีได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้มีวาจาละเอียดอ่อนพระองค์นั้นด้วยเสียนกร้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงฝุกจิตของพระองค์แล้วทรงฝึกมนุษย์กับพ้องเทวดาทั้งหลายโปรดประทานอัมตาธรรมอันกเกษมแก่เขาทั้งหลายเหล่านั้นข้าพเจ้าขอนอมน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้มีอินเสียนปึกแลพระองค์นั้น พระสามพทธเจ้าพระองค์ใดได้ทรงพระลุบลุพระญาณอันยิ่งใหญ่ด้วยพระอุสาหะอันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระมโนบริสุทธิ์อันมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพากันบูชาแล้วด้วยเสียงกลราวขอนอบน้อมพระธรรมของพระองค์ด้วยขอนอบน้อมบาริยาสงสาวกขุมพุทธเจ้าด้วยขอความเจริญในธรรมจงมีแด่พุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งใจมาฝึกหัด ในการเดินตามรอยบาทรพระศ า, าสดาฝึกตนเองให้เข้าอยู่ในชั้นของศีลสมาธิปัญญาเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์ทั้งหลายในวันนี้จะมากล่าวในเรื่องการสรุปในเรื่องของการจะเจริญอานอาปานสติตามที่ได้กําหนดเข้าไว้เกี่ยวในเรื่องของการที่จะมาเจริญตามพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง แสดงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ประชาัตว์ทั้งหลายประโยชน์ในการที่จะเจริญสมาธิเพื่อจะฝึกจิตของตอนเองนั้นน่ะให้เป็นปัจจัยต่อการที่จะได้มาซึ่งยานเป็นญาเพื่อจะรู้เห็นตามความเป็นจริงมีพระพุทธพจน์ตรัสไว้ว่าถ้าภิกษุปราศจากนิวรณ์ทั้ง5คือการะฉันทาพยาบาทีนามิทธาอุทะจั ก, กุกุจ่าและวิจิกิจฉา ได้เริ่มระดมความเพียรอย่างไม่ย่อหย่อนมีสมติกับกำกับอยู่ไม่เลือนหลงกายก็จะผ่อนคลายสงบไม่เครียดไม่กระสับกระส่ายจิตก็ตั้งมัน่นมีอารมณ์หนึ่งเดียวไม่ว่าเธอจะเที่ยวไปอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนตื่นอยู่ก็ตามก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีความเพียรนะเป็นผู้มีฮิลีละโอตปะเริ่มระดมความเพียรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้อุทิศตัวเด็ดเดี่ยวแล้วถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่านิวรณ์หคือการมาฉันท่าเนี่ยขเขาแปลว่าความติดใจฝ่ายะสันพยาบาทก็คือความเครียดความกระด้างความกลุ่มทีนมิท่าความหดหู่ท้อถอยอุทจักกุกกุจากความฟุ้งซ่านลำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัย พระบระมาศา ส, สดาบอกว่าเพชรสูตรทั้งหลายอุปกิเกลตแห่งทองหประการทองนเนี่ยเปื้อนปนเข้าแล้วย่อมเป็นเหตุไม่อ่อนแล้วก็ไม่ควรต่อการงานไม่สุขไม่ปลังไม่เป็นทองที่เปล่าไม่เหมาะที่จะไปนําไปใช้สิ่งต่างๆทองที่มีอุปกิเลสของทองเนี่ยเข้าไปเจือปนแล้วได้แก่มีเหล็กมีโลหะมีดีบุกมีตะกัว่วเงิน เมื่อทองนั้นมีสิ่งเหล่านี้เข้าไปเจือปนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุปกิเลสของทองทองนั้นก็ไม่เหมาะสมแต่เมื่อใดทองนั้นพ้นจากอุปกิเลสคือพ้นจากเหล็กโลหะดีบุกตะกัวและเงินเป็นต้นพ้นจากอุปกิเลสห้าประการนี้แล้วก็จะเป็นสภาพอ่อนเป็นทองที่อ่อนควรแก่การสุกปรังไม่เปล่ะ เหมาะที่จะไปทำอะไรอะไรได้ดีกาวคือช่างทองต้องการเอาไปทำเครื่องประดับชนิดใดๆก็ได้เช่นจะเอาไปทำแหวนตุ้มหูสร้อยคอสวรณมาลาก็ตามก็ย่อมสำเร็จผลตามที่ต้องการแม้ชั้นใดอุปกิเรตแห่จงจิตหประการอย่างต่อไปนี้จิตพวพันเศร้าหมองแล้วย่อมไม่นุ่มนวล ไม่ควรแก่การงานไม่ผ่องใสเปาะเสาะและไม่ตั้งมั่นดีดีไม่เป็นสัมมาสมาธิเมื่อความเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็ฉันนั้นก็หมายความว่าไม่เหมาะแก่การที่จะหมดกิเลสคือราคะโทสะโมหะอะไรเป็นอุปกิเลสของจิตคือการมฉันท่าคือความติดใจฝ่ายะสันพยาบาทคือความที่จิตนั้นหงุดหงิดโกรธกระทบนั้นกระทบนี่ ทีน้นมิทาความหดหู่อุทจักกุกุจากความฟุง้งซ่านลำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเมื่อใดจิตพ้นจากอุปกริเห้าประการเหล่านี้แล้วก็จะเป็นจิตที่มีคุณภาพอ่อนโยนควรแก่งานผ่องใสไม่เปาสะสอกและก็ย่อมตั้งมั่นด้วยดีถึงจะเป็นสัมมาสมาธิและเมื่อเป็นสัมมาสมาธิเป็นจิตที่ตั้งมั่นด้วยการเจริญ า, า, านาปนสติเป็นต้นแล้ว ก็เป็นจิตที่เป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายมีการมาสวาะภาวาสวะทิฏฐาสวะวิชาสวะเธอจะน้อมจิตไปเพื่อรู้จำเพาะเธอจะน้อมจิตไปเพื่อประจักษ์แจ้งซึ่งอภิญญาศิทธิกริยธรรมสิ่งที่พึงทําไปจักแจ้งโดยการรู้เจาะตรงอย่างใดใดก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยาในธรรมนั้นได้เพราะเหตุมีอยู่ฉะนั้นจากพุทธพจน์ที่บอกว่า ถ้าภิกษุปราศจากนิวรณ์ห้าประการถ้าเธอได้เริ่มระดมความเพียรอย่างไม่ย่อหย่อนมีสติกำกับอยู่ไม่เลือนหลงกายก็ผ่อนคลายสงบไม่เครียดไม่กระสับกระส่ายจิตก็ตั้งมั่นมีอรมหนึ่งเดียวไม่ว่าเธอจะเที่ยวอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีความเพียรมีอตปะคือความที่สะดุง้งกลัวต่อบาป เธอเริ่มระดมความเพียรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอลักษณะอย่างนี้เป็นผู้อุทิตตัวเด็ดเดียวแล้วจากตรงนี้จะได้ชี้เห็นว่าเราท่านทั้งหลายเวลาฝึกสมาธิเจริญอาณาปานสติเมื่อฝึกได้ดีแล้วกําลังของสมาธิเนี่ยสมาธิทาให้จิตตั้งมั่นอยู่ในลมสม่ำเสมอทำให้องค์ธรรมทั้งหลาย ที่เกิดร่วมกับสมาธิมีการผ น, นึกตัวกันทาให้องค์ธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันเนี่ยผ น, นึกประสานกันอยู่องค์ธรรมคือสติก็มาผ น, นึกประสานอยู่กับสมาธิองค์ธรรมของความเพียรก็มาผ น, นึกประสานอยู่กับสมาธิองค์ธรรมคือศรัทธาคือความเชื่อมั่นก็มาผนึกประสานอยู่กับสมาธิแล้วก็จะมีองค์ธรรม คือความไม่โลภความไม่โกรธหิริความระยต่อบาปโอตะปาความเกรงความเกรงกลัวต่อบาปก็จะมีสภาพที่สงบกายสงบจิตทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นสภาพที่ซื่อตรงเป็นต้นก็จะมาผนึกประสานกันอยู่ไม่พร่าไม่ฟุง้งไม่กระจายเหมือนน้าผนึกประสานแป้งเข้าไว้เป็นก้อนเดียวแล้วก็ทําให้จิตนั้นสืบต่ออย่างนิ่งแนว่วและก็มั่นคง จิตก็จะนิ่งแน่วที่ลมหายใจกระทบเข้าและกระทบออกอย่างมั่นคงเหมือนเปลว เ, เทียนในที่สงัดลมนะติดไฟแล้วก็สงบนิ่งลุกไหม้ไปเรื่อยๆส่องแสงสว่างสม่ำเสมอเป็นอย่างดีฉะนั้นกำลังของสมาธิก็จะมีการตั้งมั่นอย่างนั้นนะ <c oughs> ทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ว่าจิตสงบเนี่ยไอ้คำว่าสงบในที่นั้นน่คือตั้งมั่นเนี่ยมันเหมือนอะไร เหมือนน้ำพันึกประสานแป้งเข้าเป็นก้อนเดียวน้ำที่ผนึกประสานแป้งไว้เป็นก้อนเดียวและทําให้จิตนั้นสืบต่ออย่างนิ่งแน่วและมั่นคงไม่ใช่จิตมันหยุดการเจริญสมาธิไม่ใช่จิตหยุดนิ่งแต่จิตเนี่ยสืบต่ออย่างนิ่วนิ่งแน่วและมั่นคงเหมือนอะไรเหมือนเปลวเทียนที่สงัดลมติดไฟสงบนิ่ง แล้วลุกไหม้ไหมลุกไหม้ลุกไ ห, หม้ไปเรื่อยๆใช่ไหมไปเรื่อยๆและไม่ไหวเพราะตรงนั้นเป็นที่สงัดลมนะและเทียนก็จะค่อยไหม้ไฟก็จะไหม้เทียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรตามมาส่องแสงสว่างสม่าเสมอเป็นอย่างดีแม้ชั้นใดจิตที่เป็นสมาธิเป็นแบบนี้แหละจะเป็นแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าสมาธิแล้วหยุดนิ่ง ไม่ใช่แต่มีการสืบต่อสืบต่ออย่างต่อเนื่องแต่เป็นการสืบต่อที่นิ่งแน่วมั่นคงเหมือนเปลวเทียนในที่สงัดลมจะนิ่งเกิดสืบต่ออย่างต่อเนื่องอย่างนี้เป็นในเรื่องเดียวยุทธระดุลานิ่งอยู่ในนิมิตนั้นอย่างต่อเนื่องส่องแสงสว่างสม่ําเสมอเป็นอย่างดีความมุ่งหมายของสมาธิที่ใช้อย่างถูกต้อง และตามศัพที่ได้กล่าวไว้แต่เบื้องต้นที่บอกว่าสมาธิพิกเวบาเวถาสมาโตยะถาปูทางประชานาติในพุทธพจน์เนี่ยก็แปล ว, ว่าพระบรมศาสดาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเถอทั้งหลายจงจเจริญหรือจงจเจริญสัมมาสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นด้วย อุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิถึงจะรู้ชัดตามความเป็นจริงในชั้นของพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงสแสดงเนี่ยหมายความบอกว่าสมาธิงพิกเวบาเวถาสมัยตัวพิกเวภิกขุยะถาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิไม่ว่าจะเป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่เฉียด เฉียดชาญสมาบัติเฉียดอปนาหรืออปนาสมาธิสมาธิที่เป็นสมาบัติที่เป็นแน่วแน่ที่แนบแน่นหรือไม่ก็เป็นสมาธิทั้งสองดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายดูก่อนโยคีทั้งหลายสับเดียวกันนะภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นยุ่ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงถามว่ารู้ชัดอย่างไรหรือถามว่ารู้ชัดอย่างไรคำตอบ จะรู้ชัดตามความเป็นจริงโดยประการต่างๆอย่างไม่วิปริตผิดเพี้ยนตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าสภาวะนี้คือทุกขสัจจะนะที่ท่านใช้คำว่ายะถาภูตังปชาติอีทางทุกขันติยะถาปูตังประชานติคือหวังว่ารู้ชัดยังไงรู้จริงโดยประการต่างๆอย่างไม่วิปริตผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงว่าสภาวะนี้เป็นทุกขสัจ ไม่อาศัยกําลังของสมาธินี่แหละจะได้ไปรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสภาวะอย่างนี้เรียกว่าทุกขสัตว์ถ้าไม่มีฐานของความตั้งมั่นด้วยอํานาจของสมาธิแล้วจะไม่สามารถไปรู้ชัดสภาวะที่เป็นทุขกขสัจจะได้เลยถามว่าสภาวะที่เป็นทุขกขสัจจะคือรูปนามขันหานี่แหละรู้จริงโดยประการต่างๆอย่างไม่ไม่เวบปริตผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงดังนี้ว่าสภาวะนี้เป็นสมุทยัยสัจจะ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 อันนี้แปลว่าเป็นคำสั่งนะให้ตั้งใจด้วยนะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจเจริญสมาธิทั้งสองประการทั้งอุปจาระสมาธิและอปนาสมาธิกาวคือความตั้งมั่นแห่งจิตเถิดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสมาธิกาวคืออุปจาระและอปนาสมาธิดีแล้วย่อมรู้แจ้งอย่างไม่วิปริตผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง เหตุผลที่เธอทั้งหลายไปรู้อะไรที่วิปริตผิดเพี้ยนไม่ตรงตามความเป็นจริงก็เพราะเธอเป็นผู้ที่มีจิตไม่ประกอบไปด้วยสมาธิอย่างตั้งมั่นดีพอดูก่อนภิกสูตทั้งหลายด้วยเหตุนี้แหละเธอทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในศาสนานี้เธอทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในพระศาสนานี้ คือศาสนาของพระชินเจ้าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาศัยอยู mm ่ในปฏิปทานี้อย่างในศาสนานี้จึงควรพยายามเพื่อจะรู้อริยสัจสี่กวคือเธอทั้งหลายจงพยายามเพื่อจะรู้ดังนี้ว่าสภาวะนี้คือทุกขสัจจะอย่าไปพยายามรู้อย่างอื่นให้จงพยายามเพื่อจะรู้ว่าสภาวะนี้คือทุกขสัจจะนะทุกขอริยสัจจงพยายามเพื่อจะรู้ดังนี้ว่าสภาวะนี้คือ สมุทัยสัจจะคือเหตุให้เกิดทุกข์จงพยายามเพื่อที่จะรู้ดังนี้ว่าสภาวะนี้คือนิโรธาสัจจะคือความดับทุกข์และจงพยายามเพื่อจะรู้ดังนี้ว่าสภาวะนี้คือมรรคสัจจะคือปฏิปทาหนทางที่เพื่อให้เข้าถึงความดับทุกข์เราได้ยินพุทธพจน์อย่างนี้แล้วเราจักระดมความเพียรไหม นี่คือพระตําราชของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนี่คือพระธําราชของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเตือนพุทธบริษัทว่าเธอทั้งหลายจงพยายามที่จะรู้รู้อะไรรู้ดังเนี้ยรู้ทุกตามความเป็นจริงรู้เหตุให้เกิดทุกตามความเป็นจริงรู้ความดับทุกขตามความเป็นจริงและรู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ตามความเป็นจริงสําหรับความมุ่งหมาย ของพระพุทธองค์ในการตัดพุทธพจน์นี้ทราบได้อย่างไรให้สังเกต ด, ด้วนะหลายคนอ้างพุทธวจนนะอ้างพุทธพจน์ถ้าพูดแค่นี้เชื่อไหมหลายหลายคนจะไม่เข้าใจนะเอาถ้าต้องการอยากจะเข้าใจต้องดูว่าพระอัจฉริยะาจารย์พระดีกาาจารย์ท่านท่านขยายความพุทธพจน์ยังไง เออท่านขยายอย่างไรหรือจะรู้ได้อย่างไรไปดูที่ไหนไปดูในสังยุตตนิกายอัตกถาอสังยุตตนิกายอัตกถาใครเป็นคนใครเป็นคนอาธิบายไว้ที่พระอัตกรถาอาจา ร, ร, ร, าจารย์พระพุทธโคสาจารย์เอพระพุทธโคสาจารย์นี่เป็นใครเป็นใครพระพุทธโคสาจารย์เนี่เกิดในยุคไหนในยุคร้อ900ร้ปีหลังพุทธปริญพาน ท่านเป็นคนที่ไหนท่านเกิดอยู่ที่พุทธคยาที่ตัสรุของพระเจ้านั่นแหละท่านเป็นคนพุทธคยานั่นแหละแต่พุทธคยานยนเนี่ปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าอยู่รัฐอะไรรัฐพิหารถามว่าพุทธโคสอาจาเนี่ยท่านเป็นภิกษุแล้วแตกฉานในพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคหลังพุทธบริวารพานแล้วเก้าร้อปีแล้วต่อมาท่านเดินทางจากพุทธคยาเนี่ยมาที่ลังกา พอตอนนั้นพุทธศาสนามาเจริญรุ่งเรืองที่ลังกาท่านมาทำาไรท่านมาแปลภาษาพุทธพจน์ของพระเจ้าจากภาษาสิงหนผลภาษาสิงหนซึ่งเป็นชาวลังกากรบนะ่ยมาแปลกลับสู่ภาษาบาลีคือภาษามคตทีนี้พอท่านแปลแล้วท่านทำอะไรต่อกะที่แรกเนี่ยพอจะไปแปลเนี่ยทภิกษุ ในคณะหมหาวิหารในยุคนั้นชํานาญมากพระเถระเป็นเรือนหมื่นเรือนพันบอกไม่ได้คุณจะเข้ามาแปลสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้คุณต้องทดสอบความสามารถก่อนใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวคุณเอาอะไรมาปนปรมาปมาปนมาปนคําสอนพุทธเจ้าเราไม่ยอมหรอกเอ้าคุณต้องทดสอบพระเทระก็เลยเอาพุทธพจน์บอกเอา้าวงั้นคุณไปขยายความพุทธพจน์นี้ก่อน ถ้าคุณสามารถขยายความพุทธพจนิได้คุณตึงจะมีสิทธิ์มาแปลคําสอนของพระเจ้าได้จากภาษามาคตเข้าสู่จากภาษาสิงห์โขนสู่ภาษามาคตได้ถ้า ง, งั้นเดี๋ยวคุณแปลผิดนะ่ยแล้วก็จะไปเอาอะไรมาปนปน ป, น, ปนคําสอนของพระเจ้าของเราไม่เอาท่านก็เลยเอาพุทธพจน์ในคำพิสังยุทธ์นี่แหละเอาเลยท่านก็ตั้งพุทธพจน์ อัญเชิญพระดำรัดของพระพุทธเจ้ามาบอกว่าศีเลปฏิทถายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจภ า, าวยังอาตาปีนิปโกพิขูโสอิมังวิชัตเตเยชชตันติบอกว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตนะและเจริญวิปัสนาปัญญาสามารถจะถางรกชัดคือเกลเลทเครื่องนอนนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเป็นต้นดาเนี่ยแค่เนี้ย ท่านเอาพุทธพจน์นี้มาเป็นแม่บทตั้งแล้วท่านก็ขยายเขียนเขียนในคืนท่านสามารถเขียนขยายศีลสมาธิปัญญาเป็นคำภีวิสุทธิมาร์คขึ้นมาวิสุทธิมาร์คไหมคำพีวิสุทธิมารคาเนี่ยที่เป็นหลักสูตรการศึกษาคณะสงฆ์ของไทยด้วยและของแม้ทุกประเทศด้วย คณะสงฆ์สายเทรวาสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระม่า ก, ก็ดีศีรังกาก็ดีแม้แต่ไทยเอวยลาวยเขมิสเนยเป็นต้นเหลนี้ก็นี่เป็นหลักเขาเรียกเป็นเพชรน้ำหนึ่งของวงการพุทธศาสนาเนี่ยเขียนศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาขยายเป็นเล่มอย่างใหญ่เลยอันนี้เป็นพอพอเขียนแล้วเนี่ยท่านก็หลับไปเขียนใช้เวลาเขียนเลยอมากเพราะท่านเป็นอัจฉริยะบุคคลนะเขียนแล้วท่านก็หลับไปไอเทวดาก็ไปซ่อนไว้ ตื่นขึ้นมาเอาหายไปแล้วเขียนใหม่ใช้เวลาเขียนสี่ชั่วโมงจบหลับต่อเอายอมเขียนหนังสือสี่ชั่วโมงยอมจะได้กี่หนะ้าเอาตื่นขึ้นมาอีกแป๊บหนึ่งเอาหายไปอีกท่านก็เขียนอีกตอนปัดฉิมยามเนี่ยจากตีสองอีกพอเขียนเสร็จไปไปมาก็เลย ต่อมาเทวดามาคืนพลปรากฏว่าตรงกันหมดเลยอะทั้งสามเล่มเนี่ยก็ไปถวายพระเถระพระเถระเห็นโอ้โหอัศจรรย์มากก็เลยอนุญาตท่านแปลทีนี้วิธีท่านแปลวิธีท่านที่จะปริวัติคำพีเนี่ยนะท่านอาศัยมหาตกรฐานู่นตั้งแต่คำอธิบายของพระเถระตั้งแต่ยกปฐมสังคยนณานู่นะหลังพระเจ้าปรินิพพานแล้วสมเดือนแล้วเขามีการรวบรวมพระธรรมวินัยใช่ไหม นั่นแหละท่านก็นรวบรวมพระธรรมคติธรรมันารวบรวมแล้วท่านก็เปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนในที่นี้ก็คือว่าใช้คําพูดให้เหมาะสมในยุคนั้นเลยกลายเป็นคัมภีอัตถกถาขึ้นมาแล้วก็เป็นคำพียุยสุธิมาร์กเป็นต้นนั้นถ้าไม่ได้อาศัยท่านยุ่งเลยผู้ศึกษาพุทธศาสนาในทุกวันนี้ยุย่งอาเหมือนพระไตยปิฎกยอมพระไตรปิฎกที่ยอมอยากจะอ่านกันภาษาไทยอ่ะ ภาษาไทยที่เป็นพุทธพจน์ที่อ้างก็เป็นพุทธว จ, จนะเนี่ย พ, พุทธพุทธพจน์เนี่ยพระไตรปิฎกนั่นแหละฉบับที่เป็นพุทธพจน์ล้วนๆนี่แหละนั่นแหละคือคําอธิบายของอัตถกถาถ้าใครต้องการอยากจะรู้หรือไม่ต้องการากจะเอาไม่บอกว่าไม่ไม่เอาแล้วคํา ข, ของพระ อ, อัตถกถาใครไม่ต้องการแล้วคนคนนั้นต้องไปเอาฉบับบาลีเพราะถ้าฉบับแปลไทยเนี่ยเขาแปลตามสมนวน อ, นอัตถกถายกตัวยอย่าง อย่างศัพท์คำว่าวิหาราเนี่ยวิหาราเนี่ยนะโดยความหมายคือพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่นะพระวิหารแต่พระตักถาอาจารย์บอกว่าพระบรมมาขยายความคำพระวิหารว่าพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ที่พระคันนกุดีเนี่ยศัพท์นี้คือเป็นคําของอัตถกามาทุกวันนี้หลายๆคนมักไปอ้างว่าไม่เอาแล้วคําของพระอัตถกา ถ้าไปอ้างงี้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องไปอ่านฉบับบาลีอย่างเดียวเท่านั้นหมดสิทธิ์อ่านภาษาไทยเพราะภาษาไทยทุกฉบับแปลโดยจำนวนของภาคอักถาะดีกาเข้าใจใช่ไหมเออนี่ขยายไว้ตรงนี้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้เราท่านทั้งหลายได้เนี่ยที่ยกมาตรงเนี้ยว่าเอาละตามอกาักถาอิทานหิวุตตางโหติบอกว่าสําหรับผู้มุ่งหมายความมุ่งหมายของพระองค์ในการตรัสพุทธวจนะพุทธพจน์เนี่ย พระเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วเท่านั้นถึงจะรู้จอริยสัจสีตามความเป็นจริงเนี่ยแม้เธอทั้งหลายก็เช่นกันกล่าวคือว่าเมื่อได้เจริญสมาธิจนจิตตั้งมั่นดีแล้วใช่ไหมนี่มาขยายแล้วถ้าเธอเนี่ยเจริญสมาธิจนจิตตั้งมั่นดีแล้วด้วยอุปจาระปนาแล้วเธอจงเพียรพยายามให้รู้แจ้งอริยสัจสีตามที่เป็นจริงว่าสภาวะนี้เป็นทุกขสัจจะ ว่าสภาวะ น, นี้เป็นสมุทัยสัจจาสภาวะ น, นี้เป็นนิโรธาสัจจาสภาวะ น, นี้เป็นมรรคสัจจาอริยสัจสีเหล่านี้ย่อมปรากฏในยานปัญญาของพระตถาคตชัดเจนเหมือนอะไรเหมือนหนึ่งแก้วมณีบนฝ่ามือฉะนั้นแม้เราต ถ, ถาคตเองก็ได้แสดงจำแนกอริยสัจสีเหล่านั้นไว้เป็นอย่างดีแล้วซึ่งบทพยัญชนะอักษร อันมีประมาณมากมายนับในท่วนก็ได้ปรากฏแล้วในพระธรรมเรชานาที่เราแสดงไว้ดีแล้วเกี่ยวกับอริยสัจสีเหล่านั้นการที่เธอทั้งหลายพุทธเจ้าบอกว่าการที่พวกเธอทั้งหลายเนี่ยยังต้องประสบมหันตทุกข์ในสังสารวัฏอยู่ล่าไปก็เพราะว่าเธอทั้งหลายไม่รู้อริยาาสัจสี่เหล่านั้นนั่นแหละด้วยสัมมาทิฏฐานนะนั่นเอง ฉะนั้นถ้าตราบใดเธอยังไม่รู้อริยสัจสีด้วยสัมมาทิฏฐานนะคือญาณปัญญาที่ไปรู้ถูกรู้ตรงตามความเป็นจริงเธอทั้งหลายก็จะต้องเดือดร้อนเดือดร้อนอยู่ล่ําไปแต่ถ้าเธอทั้งหลายปรารถนาที่จะไม่ต้องการไม่เดือดร้อนในสังสารวัฏเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเมื่อเธอทั้งหลายเจริญสมาธิจน จ, นจิตตั้งมั่นแล้วแล้วต่อไปเธอจะได้น้อมจิตไปเพื่อจะรู้แจ้งสัจจะสี ตามความเป็นจริงถ้าเธอไม่ทําอย่างนี้เธอทั้งหลายจะเดือดร้อนในสังสารวัฏนี่เป็นคําเตือนจากพระพุทธเจ้านะเธอทั้งหลายจะเดือดร้อนจากสังสารวัฏทีนี้ทกในสังสารวัฏอยู่ล่ามไปก็เพ <t> ร <Instagram> าะว่าเธอทั้งหลายยังไม่สามารถรู้แจ้งอริยาสัจสีเหล่านั้นด้วยสัมมาทิฏฐานะคือญาณปัญญาที่รู้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นเองแต่เมื่อใดนะถ้าเธอสามารถรู้แจ้งอริยาสัจสี่ด้วยสัมมาทิฏฐานนะแล้วซ้ายเมื่อนั้นน่ย ทุกในสังสารวัฏมหันตทุกจะไม่ขยายจะไม่แพร่ขยายแกเธอทั้งหลายแต่ตอนนี้ทุกในสังสารวัฏจะแพร่ขยายกับเธอถ้าเธอเนี่ยจะต้องไปเกิดเธอก็ต้องไปเจ็บต้องไปแก่ต้องไปตายต้องไปโศกต้องไปร่ำไรลำพันต้องไม่สบายกายไม่สบายใจต้องไปคับแค้นใจนะถ้าถามว่าเราไปเราไปมีลูกเดี๋ยวเราก็จากจากลูกนะ ไปมีทรัพย์ก็ต้องจากจากทรัพย์ทรัพย์จากเราเราจากทรัพย์มีบุตรมีภรรยามีญาติมิตรมีเกียรติยศชื่อเสียงต้องวิบัติหมดนี่คือความจริงของชีวิตแต่ถ้าเธอทั้งหลายไม่ต้องการให้สังสารวัฏหรือมหันตทุกเนี่ยมันแพร่ขยายในกระแสะชีวิตของเธอเธอต้องเจริญสมาธิเมื่อเธอเจริญสมาธิเอาสมาธิเป็นบาดฐานในการเดินวิปัสสนาปัญญาเมื่อรู้แจ้งด้วยสมาธิตรยานะเธอก็จะได้รู้ถูกรู้ตรง แล้วจะได้พ้นจากมหันตทุกข์เป็นต้นได้โดยเหตุนั้นแหละผู้เป็นพุทธบุตรทั้งหลายเธอจงตั้งความเพียรเพื่อรู้แจ้งอริย ส, สัจด้วยสมาธิจิยานะโดยลักษณะว่าสภาวะนี้ทุกขาศาสจ่าสภาวะนี้สมุทัยาาศาสจ่สภาวะนี้คือนิโรธาศาจ่าสภาวะนี้คือมรรคศาสจ่าท่นั้นเมื่อได้ศึกษาพุทธพจน์อย่างนี้โดยสังเขปแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลาย ต้องดูคําสอนพระเจ้าทีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใ ด, ดกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่ไดตัดสรูทร้ทุกอริย ส, ส, ส, ส, สัจทุกคานิโรทุกขสมุทุกขัจจทุกขสมุทัยสัจจาทุกขนิโรธาสัจจาทุกขะนิโรธาคารมีปะทาอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วจกทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบอย่างนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นต้นก็เหมือนว่าพระพุทธเจ้ายืนยันตัวเองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรู้สัจจาตามความเป็นจริงนะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตัดสรุ้อริยส ประเด็นก็คือว่าในพระศาสนาขอแก้ประเด็นหนึ่งอามามาวันแรกมาใหม่ๆเนี่ยหลายท่านที่อยู่ในที่นี้ถามมาจมามาถามมาสองครั้งว่าสมถะเออสมถะเนี่ยการเจริญสมถะนี่เป็นทางอ้อมใช่ไหม สมถะไม่ใช่ทำในพุทธศาสนาประการทวงบอกว่าสมถะเนี่ยพระเจ้า ต, ตรัสไว้ในคัมภีร์สังยุตบอกว่าเยเตอสัชิสมณพรามนาเป็นต้นแล้วบอกสมาธิสารกาสมาธิสามัญญาเป็นต้นเตสังเตสังตังสมาธิงอปติละพทังเอวังโหติโนจัดสะมยังปริปริหายามาติเป็นต้นดูก่อนอสัชิสมณพรามทั้งหลายเราใดคิดว่าสมาธิเป็นแก่น และคิดว่าสมาธิหรือสมาธะคือความเป็นภิกษุสมาณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปได้ที่เขาจะเข้าใจว่าพวกตนรอดพ้นแล้วจากความเสื่อมจากในพุทธศาสนาตรงนี้พระเจ้ากล่าวบอกว่าหลายคนไปเข้าใจว่าตัวสมาธิเท่านั้นเนี่ยเป็นแก่นนะสมาธิเท่านั้นนี่เป็นแก่นและเป็นแก่นสารและการที่ จะเข้าถึงความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงนั้นนะ่หรือมีภิกษุเป็นต้นเหล่านี้ก็คือต้องมีสมาธิและสลมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปได้ที่เข้าใจว่าพวกตนรอดพน้นถามบอกถ้าใครได้สมาธิแล้วตนเองจะไม่เสื่อมจากพระศาสนาแล้วถ้าไปเข้าใจอย่างนี้ข้อความตรงนี้บอกว่าสมาธิสารากาสมาธิสมัญญาเนี่ยสมาธิเป็นแก่นสมาธิคือความเป็นภิกษุเนี่ยอธิบายว่า สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายย่อมเข้าใจสาคัญว่าสมาธิเท่านั้นเป็นแกน่นเห็นไหมว่าอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นสมาธิว่าเป็นแกน่นสมาธิเท่านั้นเน่เป็นสมณะอย่างแท้จริงแต่ในศาสนาของเราสมาธิยังไม่ได้เป็นแกน่นเหมือนศีลเข้าใจไหมศีล ส, สมาธิตัวสมาธิยังไม่ใช่เป็นแกน่นยังไม่ใช่เป็นแกน แก่นสารที่แท้จริงเพราะสิ่งที่เป็นแก่นสารอย่างแท้จริงได้แก่อะไรได้แก่อรารยมรรคอรรยผลและตัวอรารยมรรคอรรยผลเนี่ยตัวนิพพานนี่เป็นแก่นนะเป็นแก่นที่แท้จริงแต่ถ้างั้นเมื่อเธอเพียงแค่เสื่อมจากสมาธิฌานเมื่อใดเล่าจึงคิดว่าตนนั้นเสื่อมจากาศาสนา ันอย่าไปทุกข์ใจนะว่าคนบางคนพอได้สมาธิแล้วต่อมาสมาธิเสื่อมหรือได้วิปัสนาพื้นฐานเบื้องต้นแล้ววิปัสนาเสื่อมศีลเสื่อมไปเนี่ยอย่าไปทุกข์ใจเพราะอันนั้นยังไม่ใช่สาระของศาสนาแต่สาระของศาสนานั้นคือมรกิอริยมรติอริยผลและพระนิพพานในครั้งนั้นเนี่ยพระอาศาิเนี่ย ท่านเสื่อมจากสมาธิเพราะท่านได้สมาบัติแล้วอยู่ต่อมาสมาบัติท่านเสื่อมท่านกระทกใจท่านบอกว่าโอ้เราเนี่ยเสื่อมจากพระาศาสนาเราเนี่ยไม่เข้าถึงภาวะของความเป็นภิกษุซะแล้วความเป็นภิกษุของเราเนี่หมดแล้วเพราะเราเข้ามาสู่ในพระาศาสนาเนี่ยเราไม่ได้สมาสมาธิที่เราเคยได้ก็หายไปซะแล้วนี่เหมือนพุทธบริษัทอุบาสกบาสิกาเนี่ย วันดีคืนดีได้สมาธิต่อมาสมาธิวิบัติหายไปอย่าตกใจนะให้เข้าใจอย่างนี้ว่าต่อมาท่านอสชิมาเจริญอาณาบรรณสติมาฝึกอาณาบรรณสติต่อมาท่านก็นากหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่บอกว่าโสสโตวะอสชัชสโตวะปัสเสติเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า เธอกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้ในกรณีการที่เธอกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหมเบื้องต้นเนี่ยโสสเตวะปัสติสเตวะอัสเตียลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้ในขณะที่เธอกำหนดลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกเป็นไปตามลำดับถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่ากำหนดณจุดเดียวคือลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกถ้าหากว่า มันฟุ้งซ่านก็ต้องนับลมดังที่ได้กล่าวแล้วคือหายใจเข้าออกนับหนึ่งจนสมาธิตั้งมั่นได้สาสินาทีหรือชั่วโมงเป็นไปตามลําดับนั่นวิธีนับลมเพื่อให้ภาวนาจิตแนบชิดตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นชั่วโมงเป็นต้นจึงเพิกถอนการนับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเฝ้าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นไปตามลําดับได้จนครึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมง เป็นต้นเป็นไปตามลำดับทีนี้ในอาณาปานา ป, นาปถมเจตุกะในจตุกะแรกเนี่ยเบื้องต้นที่บอกว่าทีฆะคือยาวลมหายใจยาวรัศษะคือลมหายใจเข้าส่วนสภกายะก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งปวงปัดสัมพยังก็คือสงบระงับในทีคังวาอัศ ส, สันโตทีคังวาอัศ ส, สามีติปชานาติเป็นต้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อลมหายใจ เมื่อหายเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อใจหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นในอัตถาดีกาท่านแสดงว่าการที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยยาวหรือสั้นเนี่ยนับอาการหายใจช้าคือยาวหายใจเร็วคือสั้นทีนี้การรู้สั้นรู้ยาวดังกล่าวเนี่ย ตรงนี้นี่แหละว่าเมื่อสามารถรู้เข้ารู้ออกจนชัดเจนและตั้งมั่นแล้วประการต่อไปก็คือการรู้ยาวและสั้นก็ให้สังเกตบางครั้งเราจะมีหายใจยาวตลอดบังลังบางทีก็สั้นตลอดบัลลังแต่ผู้ปฏิบัติใหม่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีหายใจยาวตลอดบัลลังหรือสั้นตลอดบัลลังก็จะมีการหายใจสลับสลับเข้าใจใช่ไหม ผู้ปฏิบัติก็สั ง, สงเกตดังกล่าวแล้วว่าบางท่านหายใจออกยาวบางท่านหายใจเข้ายาวจะต่างกันจะยังไม่สมดุลการหายใจเข้าและหายใจออกที่ยังไม่สมดุลนี่แหละจะเกิดภาวะภาวะอะไรร่างกายโครงไปตามลมนั้นถ้าหายใจออกยาวก็จะโค้งไปข้างหน้าหายใจเข้ายาวก็จะหงายไปข้างหลัง ฉะนั้นตรงนี้แหละผู้ปฏิบัติที่มารู้ยาวรู้สั้นก็จะสังเกตนะเข้านะเข้าเมื่อสกำลังของสติกำลังของสมาธิมีกำลังแนบแน่นมากขึ้นก็จะมีการปรับปรับอะไรปรับการหายใจเข้าและหายใจออกไม่ใช่บังคับนะเพราะกำลังของสติกำลังของสมาธิที่มีการผนึกตัวกันของสติของสมาธิของความเพียร ของตัวกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายก็จะมีการผนึกเหมือนน้ำผนึกผงแป้งให้ติดกันเมื่อจิตนั้นแน่วแน่แนบสนิทแล้วก็ตั้งมั่นแล้วลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกจกมีความสมดุลแล้วก็จะสม่ำเสมอร่างกายก็จะตั้งตรงนะเนี่ยท่านบาสชิก็เป็นอย่างเงี้ยท่านปฏิบัติเป็นไปตามลำดับอย่างนี้นี่แหละอภิการต่อมาเมื่อกาหนดยาวและสั้นเนี่ย จนจิตตั้งมั่นเป็นไปตามลำดับการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นเหล่านี้เมื่อสติแนบติดอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้เมื่อสติตั้งมั่นดีแล้วลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติที่ยาวที่สั้นก็รู้ชัดตลอดเป็นไปตามลำดับอันนี้แปลว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะไอ้ตรงนั้นสภาพลมหายใจจะมีนิมิตรหรือไม่มีนิมิตก็ไม่ว่ากัน แต่ก็ยังใส่ใจจะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ไม่ใส่ใจที่อื่นใส่ใจที่ลมเข้าลมออกเห็นยาวเห็นสั้นเป็นไปตามลำดับประการที่ 3, สัพสกายะปฏิสังเวทีอส ส, สิตสามีติสิกติสพกายะปฏิสังเวทีปัสสิ ส, สามีติสิกตออิตรงนี้ผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจคำว่าต้องเข้าใจกรณีตรงนี้เป็นพิเศษ จิตที่ตั้งมั่นคำว่าสัพพะกายะปฏิสังเวทีเนี่ยาการที่พโยคีปฏิบัติว่าเราจะหายใจเข้าโดยตามรู้นะโดยตามดูให้รู้ถึงกองลมหายใจเข้าเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเนี่ยพึงปฏิบัติว่าเราจะหายใจออกก็ตามรู้ทั้งกองลมหายใจออกทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสรุปบอกว่า ลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเบื้องต้นเนี่ยให้พยายามเนี่ยใช้สตินั่นแหละระลึกไปที่อารมณ์คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเพียนพยายามประคองสติให้ตั้งมั่นนะเพียนสติให้ตั้งมั่นนะในอารมณ์นะคือความยาวความสั้นของลมหายใจเข้าออกเมื่อสติมีความมั่นคงแนบแน่นแนบชิดกับรมนะั้นแล้วก็ ยังค่อยเพี้ยนเพ่งให้เห็นกองลมเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเนี่ยการเพียนเพ่งในที่นี้ก็แปลว่าอะไรเพียนเพ่งคําว่าเพียนเพ่งตัวนี้สําคัญนะเพียนให้เหมาะสมนะประคองให้เหมาะสมนะให้เห็นเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเนี่ยก็คือให้เห็นตลอดสายเห็นตลอดสายไม่ใช่ตามเข้าไปข้างในไม่ใช่ตามออกไปข้างนอกท่านใช้คําว่าเพียนเพ่ง ในการเพ่งดูลมเนี่ยโยคยีไม่ควรตามกําหนดไม่ควรตามกําหนดวันนี้ส่วนต้นของลมนี้ส่วนกลางของลมนี้ส่วนกลางของลมอย่าพอย่าตามอย่างนั้นทั้งนี้เพ่อจะทำให้โยคียเสียสมาธิได้แต่หากไม่สามารถนะไม่สามารถเพ่งไดยปราศจากการกําหนดแบบนั้นได้ก็ให้กําหนดเพียงแค่คำว่าหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้น จะอย่างไรก็ตามนะให้โยคยีทั้งหลายน่ยจงเพียนเพ่งเพื่อให้รู้ชัดถึงกองลมเข้าออกเนี่ยก็คือว่าให้ดูตลอดสายให้รู้ชัดกองลมเนี่ยทุกส่วนคำว่าทุกส่วนดูตรงนี้ดูตรงนี้นะอย่าตามเข้าไปนะคำว่าดูทุกส่วนก็คือลมที่ออกมาก็หเห็นทุกส่วนลมที่เข้าไปก็หเห็นทุกส่วนเห็นตรงเนี้ย เหมือนคนเฝ้าประตูอยู่เคยเห็นคนไอ้เป็นแขกยามที่เฝ้าประตูนะถ้าคนจะเข้ามาเนี่ยเขาเห็นทุกคนที่เข้ามาไหมเห็นไม่เห็นถ้าคนนี้เขาอยู่ข้างนอกเขาต้องตามไปเกี่ยวข้องไหมเขาจะเกี่ยวข้องกับคนที่มาถึงหน้าประตูนั่นแหละใช่ไหมคนที่เป็นยามอ่ะคนเป็นวินัยประตูอ่ะแม้ฉันใดผู้ปฏิบัติก็อย่างนั้นแหละคนที่เข้ามา ก็ต้องดูดูอยู่ตรงนั้นแหละนะดู h e ้ c เมื่อดูนาะทีตรงนี้ชื่อว่าเห็นทุกส่วนแต่ต้องจุดที่ลมเข้ามากระทบทุกส่วนที่กระทบถามว่าเวลาหายใจยาวๆหรือสั้นๆเนี่ยลมจะต้องกระทบต่อเนื่องไหมต่อเนื่องไหมกระทบต่อเนื่องนะเนี่ยลองหายใจดูที เราหายใจลมจะกระทบต่อเนื่องนั่นแหละคือเห็นทุกส่วนแต่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆไม่สามารถเห็นทุกส่วนจะรู้แค่เข้าแค่ออกแค่เข้าแค่ออกใช่ไหมอย่างนี้ไม่ทุกส่วนพอต่อมาสมาธิดีจึงจะรู้ยาวรู้สั้นแต่พอต่อไปเนี่ยพอกําหนดชัดขึ้นกําลังของสติดีขึ้นกําลังของสมาธิกําลังของความเพียรเพ่งเพียนเพ่ ง, พงได้มากขึ้นต่อไปจะเห็นทุกส่วนของลม ตรงนี้ต้องระวังนะบางคนยังไม่สามารถจะไปกําหนดเห็นทุกส่วนได้เพราะกำลังของสติไม่พอแต่เพียนเกินไปจ้องอยู่นั่นแหละตรงนี้เกรงไหมถ้าจ้องเกินไปจะเกิดภาวะเกร็งร่างกายเหมือนว่านะกําลังยังไม่พอแต่อยากจะแบกน้ําหนักมากเกินกําลังเคยเป็นไหมเขาอยากเกินไปอะ่ะนั้นอย่าใจร้อนต้องดูก่อนว่ากําลังของสติ กำลังของสมาธิกำลังของความเพียรของเราเนี่ยเพียงพอที่จะดูทุกส่วนได้หรื อ, อยังถ้าไม่ได้เดือดร้อนไหมถ้าไม่ได้ก็อย่าไปเดือดร้อนก็ดูในส่วนที่ได้แต่ไม่ใช่หยุดแค่นั้นไม่ใช่หยุดเพียงต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไหมต้องพัฒนาที่จะให้การเจริญหรือภาวนานั้นเข้าถึงความเจริญที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นในการเพ่งดูลมในโยคีผู้ปฏิบัติเนี่ย เพื่นทราบ ว, ว่านับจากกริยะที่สมเนี่ยนะการกําหนดนี้พระเจ้าบอกว่าท่านใช้คํากริยานะแต่ก่อนจะใช้คําว่าประชานาติประชานาติใช่ไหมย่อมรู้ชัดแต่ตอนนี้ท่านใช้คําว่าสิกขิย่อมปฏิบัติย่อมฝึกฝนสิกขิเนี่ยมาจากคำว่ายาญมอติย่อมเพียรพยายามย่อมปฏิบัติย่อมฝึกฝนเพียรพยายามขมขักขเม่นก็ได้ ว, วารานี้คือขมขักขเม่น เหตุผลว่าทำไมต้องฝึกฝนต้องเพียรพยายามทำไมต้องขมักขม้นทำไมต้องใช้คำนี้ทรงใช้คำกริยาว่าสิคติคำนี้สิคติก็คือฝึกฝนเพียรพยายามขมักขม้นเพราะต้องการจะรู้ละเอียดกว่าเดิมต้องการที่จะรู้ทุกส่วนทุกส่วนที่ลมมากระทบเก็บได้ทุกขั้นตอน เราอยู่อย่างนี้ยเราเก็บลมได้ทุกขั้นตอนไหมไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมเข้าออกเข้าออกจะไม่รู้เลยเพราะเรายัางไม่สามารถทําสิกขิคือไม่สามารถที่จะทําให้สิกขาสามเข้ามามีกําลังคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนั้นย่อมปฏิบัติย่อมฝึกฝนเหตุผลที่ทรงใช้เช่นนั้นก็เพื่อจะสื่อให้ทราบว่าในช่วงที่กําลังเพียรเพ่ง ฝึกฝนเพียรพยายามที่จะให้รู้ลมทุกสัดส่วนทั้งเบื้องต้นท่ามกลางได้ที่เบื้องปายนั้นเมื่อโยคีสามารถรู้กองลมอย่างชัดเจนต่อเนื่องตลอดหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วและเมื่อภาวนาจิตของโยคีนั้นตั้งมั่นแนบแน่นอยู่ในอารมณ์คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ดีแล้วก็ขอให้โยคีนั้นจงเพียรพยายามเห็นไหมขั้นถึงใช้คําว่าสิกติ ให้โยคยีผู้ปฏิบัตินั้นจนจงเพียรพยายามเจริญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ตอนนี้ต้องเจริญไตรสิกขาให้บริบูรณ์เก้าคือจงพยายามทำอธิศีระสิกขาคือสติสังวรวิริยาสังวรอะไรคือสติสังวรคือกำลังของสติตัวสติที่ความระลึกระลึกได้อย่างมั่นคงเนี่ยความเพียรก็คือระมัดระวังคอยปิดกั้น ไม่ให้นิวรกิเลสมนทินเข้ามาในกระแสจิตของตนได้เห็นหมต้องมีสติต้องมีความเพียรปิดกัน้นไม่ให้อะไรเข้ากิเลสสะกบกไม่ให้นิวรไหลเข้าสู่จิตไม่ให้ความติดใจใยกสันไหลเข้าสู่จิตไม่ให้ความโกรธความเครียดกระทบน้นกระทบนี้ไหลเข้าสู่จิต ไม่ให้ความหดขู่ท้อถอยไหลเข้าสู่จิตไม่ให้ความฟุ้งซ่านลำคาญใจไหลเข้าสู่จิตไม่ให้ความลังเลสงสยัยความไม่มั่นใจในสิกขาสามไหลเข้าสู่จิตฉะนั้นตรงนี้ท่านจึงใช้คำว่าสิกขิแปลว่าเธอต้องฝึกฝนต้องเพียรพยายามขมักขมิ้นที่จะใช้กำลังของความเพียรและกำลังของสติเนี่ยความเพียรประคองสติ รละลึกตั้งมั่นแนบชิดติดกับลมเหมือนยามเหมือนยามที่เฝ้าประตูไอยามคนนี้แต่ก่อนก็ไม่ค่อยขมักขเม้นไม่ค่อยเพียรพยายามหรอกต่อไปคนที่มีหน้าที่ควบคุมยามใช่ไหมก็บอกว่าประกาศเรียกยามมาอบรมมียามกี่คนแล้วเรียกมาที่โยพุทธเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะมี ของมันหายเลยเลยสมมติงั้นคนที่มีหน้าที่คุมยามก็ประกาศบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยามทุกคนต้องขมักขม้นต้องตื่นตัวต่อหน้าที่ห้ามหลับอย่าให้สิ่งแปดปลอมทั้งหลายที่ไม่ดีนั้นเข้ามาใน you ood, ายูพุทธเด็ดขาดเข้าใจไหมจะต้องคอยดูทุกขั้นตอนสังเกตด้วย คนผู้รายทั้งหลายขโมยทั้งหลายมันจะอาจจะมาตอนพวกเราเหือฉะนั้นทุกประตูทุกจุดที่จะเป็นเหตุทำให้ขโมยเข้ามาฮะต้องขมักขม่นเพียรพยายามคอยปฏิบตัติคอยตรวจตาอย่างถี่ยิบแม้ชั้นใดผู้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นตอนเมื่อสมาธิเริ่มตั้งมั่นดีแล้วขั้นตอนต่อไปต้องอะไรสิกขติตัวนี้ก็คือสัพพกายปฏิสังเวทีอาศวิสามาติสิกขิ แปลว่าอลไฝึกฝนเพียรพยายามเพื่อจะทําเธอต้องทําสิกขาสามย่อมปฏิบัติย่อมฝึกฝนเหตุผลก็คือต้องการที่บอกว่าต้องการจะทําให้สิกขาสามนะจงพยายามทําอฏิสีลาสิกขาคือสติสังวรวิริยสังวรคือความเพียรละมัดระวังคอยปิดกั้นไม่ให้นิวรกิเลสมนทินเข้าไปในกระแสจิตของตนเองได้เข้าใจคําว่าสิกติอย่าง ประการต่อมาจงพยายามทำอธิจิตตสิกขาคือสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้บังเกิดขึ้นในขันทสันดานของตนให้ได้จงพยายามหพยายามฝึกฝนขมักขม่นทำอธิจิตจิตตสิกขาคือตัวสมาธิเนี่ยกล่าวคือสภาพความตั้งมั่นแนบแน่นอยู่กับ อารมณ์เดียวคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้บังเกิดขึ้นในขันธสันดานยาวอย่าไปทางอื่นให้ตั้งมัน่นสติสังวรวิริยะสังวรเป็นอาทิศีลสิกขาสมาธิหรือเอกขกะตาเป็นอาทิจิตสิกขาประการที่สมเธอจงพยายามกระทำอาทิปัญญาสิกขาคือปัญญากก่าวคือสภาพความรอบรู้อย่างชัด ในกองลมทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นในขันธสันดานของตนแต่ก่อนเรารู้กองลมทั้งปวงไหมรู้หรือไม่รู้ไม่รู้แต่พอมาถึงสิกติเนี่ยต้องรู้กองลมทั้งปวงรู้ตรงไหนรู้ที่นี่แหละก็เหมือนยามเนี่ยไม่ใช่ว่าใครเข้าออกไม่รู้เอายามบางคนเนี่ยใครจะเข้าจะออกรู้ไหมรู้ไหม ไม่รู้หรอกเฉยๆมึนๆอย่างนี้ใช้ได้ไหมยามคนนี้ต้องไปเปลี่ยนใหม่ไหมเปลี่ยนใหม่ต้องให้ยามนี้ตื่นตัวต่อหน้าที่ใครเข้าออกมาต้องรู้ชัดรู้ละเอียดละออรู้ทุกขั้นตอนจำหน้าตาให้ได้ดูนี่เหมือนกันลมลมนี่มันเข้าออกประตูนี้ตลอดไหมแต่ทำไมไม่รู้เพราะไม่มีสิขติ ไม่มีอธิศีรสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขานั้นจงพยายามทำอธิปัญญาสิกขาคือปัญญาก่าคือสภาพความรอบรู้ชัดในกองลมทั้งปวงนั่นแหละให้บังเกิดขึ้นในขันธสันดานของตนด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงใช้กิริยาวสิกติแทนคำว่าประชานาติเข้าใจหรื อ, อยังนี่เหตุผล นี่สัปปการะถามว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะการกําหนดรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยภาวนาจิตตั้งมั่นแล้วกิเลสเจ้าหมองคือนิวรณ์เข้าสู่จิตก็ปิดได้โดยสติสังวรปิดได้โดยวิริยะสังวรเรียกว่าที่ศีลัสิกขากาหนดรู้ชัดหายใจเข้าหายใจออกก็คือสมาธิแนบแน่นในขันธสันดาลอย่างต่อเนื่องถึงชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้เป็นอธิจิตัสิกขากําหนดรู้ชัดตลอด สายเลยนั่นแหละว่ารู้ทุกขั้นตอนนั่นแหละคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ชัดอันนี้เป็นอันที่ปัญญาศิกขาตอนนี้ภิกษุก็เพียนทําอะไรศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาให้ชัดขึ้นให้เด่นขึ้นให้เด่นขึ้นเข้ายอย่ายงยากไหมบางท่านนิมิตเกิดนะเนี่ยอระการที่ ประการที่สี่นัหนึ่งเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นใช่ไหมสองอะไรอันหนึ่งอะไรในในประทมจตุกาะนี้มีกี่ขั้นตอนอันแรกอะไรอันแรกจริงๆการนับลมก่อนเนาะนับลมใช่ไหม หายใจเข้าหายใจออกอันที่สองอันที่หนึ่งเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นใช่ไหมเข้ายาวออกยาวแล้วก็มาเข้าสั้นออกสัน้นเนี่ยหนึ่งก็คือเข้ายาวออกยาวสองก็คือเข้าสั้นออกสั้นนะอันที่สามก็คือสัพพกายะรู้รู้รู้ทั้งปวงรู้ตลอดสายต้นลมกลางลมปลายลมทั้งที่ได้กล่าว อันที่สี่เตียรงปัดสัมพยังกายสังขารังคําว่าปัดสัมพยังเนี่ยหรือปัดสัมพยาเนี่ยแปลว่าอะไรให้น้อมจิตเข้าไประงับกายสังขารอันหยาบอะไรคือกายสังขารโยมรู้ไหมอะไรคือกายสังขารลมเข้าและลมออกเนี่ยเรียกว่ากายสังขาร เพราะอะไรลมทำไมจึงเรียกว่ากายสังขารเพราะลมเนี่ยเป็นเครื่องปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งรู ป, ปรกายถ้าไม่มีลมกายอยู่ได้ไหมนี่แหละเป็นเครื่องปรุงแต่งกายทาให้กายนี้เป็นไปได้ก็เรียกว่ากายสังขารตอนนี้กายสังขารของพวกเราทั้งหลายเป็นกายสังขารหยาบหรือละเอียดหยาบหรือละเอียดหยาบใช่ไหมตอนโกรธหยาบมากไหม หยาบมากมโอ้โหตอนกรอบคนโลภเนี่ยหยาบมากไหมตอนความโลภเกิดเนี่ยหยาบไหมโลภใจหยาบไหมโอ้โหเอาถ้าอยากได้อะไรเคยอยากได้อะไรจนเนื้อเต้นไหมโยมเคยไหมเพราะอยากได้จนเนื้อมันเต้นตึ๊กตึ๊กตึ๊กตยเคยมเคยมเคยอยากจนเนื้อเต้นเคยเป็นไหมไม่เคยเลยๆเคยอยากกินอะไรจนน้ำลายหกเคยไหม น้ำลายหยดติงต๊งๆเลยเคยไหมเ่อมาเคยสังเกตตัวนะี้เอาข้าวไปวางเข้าไว้เนี่ยเวลาสุนัขมันอยากจะจัดนี่ย้ำลายก็หยดติ๊กๆๆ๊กติ๊กตกนะยมเคยเป็นอย่างนั้นไหม <S <S เคยไหมไม่เคยเลยเนาะมีใครมาเคี้ยวไอ้กินมะม่วงไอ้ของเปรี้ยวๆ หรือว่าพวกมะขามหรือกินพวกไอ้ส้มมะเขียวกัดกินตอนหน้าเนี่ยยอมกั้นไม่ให้น้ำลายไหลได้ไหมน้ํรลายออกมาเลยไหมหรือพูดอย่างนี้ออกมาแล้วอแปลกมากนะขนาดนี้ยังไม่เห็นกองจริงแค่พูดแค่นั้นออกไหมออกไหมออกมากไหม <c oughs> เออพี่ okay. พอพูดเรื่องเปรี้ยว ม, มันออกมาเลยเพราะอะไรอ่ะยอมพ่ออะไรอะไรทําไมมันออกมามันหิวหเลยแปลกนะถ้ายิ่งมีใครมากัดมาขามต่อหน้าต่ตาเนี่ยกินจับยับยับยั บ, บเนี่ยเรามีความรู้สึกไงทรมานใจไหม <c oughs> ทรมานเลยใช่ไหม ตัดสัมไปกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเขาเรียกกายสังขารฉะนั้นขนาดรู้ตลอดสายแล้วไอตัวนิมิตก็ไม่เกิดอะไรเนามันทําไมถึงเกิดยากเห็นไหมบางคนเกิดยากมากขนาดรู้จนตลอดทุกขั้นตอนละเอียดละอขนาดเนี้ยพลังของสติพลังของความเพียรพลังของสมาธิพลังของปัญญา ก็ไม่สามารถที่จะเด่นชัดขึ้นมาได้ผู้ปฏิบัติก็ใช้ขั้นตอนที่สี่เขาเรียกปัดสัมพยังกายสังขารังแต่แต่ถ้าหากยังไม่สามารถรู้ได้ตลอดสายเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเนี่ยมาขึ้นประการที่สี่ได้ไหมบางคนเนี่ยไม่ได้เรียงลาดับแต่มันไปขั้นาเลยนะไปฟึดฟุดฟุดเลยนะการปฏิบัติเนี่ยขั้นตอนที่สี่ก็คือว่าน้อมจิต เข้าไประ ง, งับกายยังขารอันหยาบเมื่อลมหายใจเข้าเนี่ยก็ให้น้อมจิตเข้าไประ ง, งับกายสังขารอันหยาบเมื่อลมหายใจออกก็ให้น้อมจิตทุกครั้งนะเออโยคีผู้ปฏิบัติเนี่ยทุกครั้งที่นั่งคู่บัลลังเริ่มจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกก่อนเมื่อสมาธิตั้งมั่นดีแล้วก็กําหนดเข้าออกยาวสั้นยังไ ห, หายใจสะช้าเร็วเป็นไปตามธรรมชาติตั้งมั่นยังไง กาหนดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงให้ได้ลมหายใจเข้าออกรู้ชัดจนนีิสุดก็จริงว่าต้นลมกลางลมปลายลมรู้ชัดตลอดสายอย่าตามลมเข้าไปข้างในและกระส่งใจออกไปข้างนอกนะต้องให้รู้จุดเดียวที่จุดกระทบนั่นแหละเพียนเป้าดูที่จุดกระทบที่ชัดที่สุดที่จุดเดียวนั่นแหละเมื่อลมหายใจเข้าออกสติตั้งมั่นเป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงก็น้อมจิตเข้าไปสงบระงับสังขารให้แผ่วเบาที่สุดตามธรรมชาติ เหตุผลว่าทําไมต้องน้อมจิตให้แผ่วเบาที่สุดตามธรรมชาตินี้คือเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเมื่อเมื่อลมค่อยๆแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงเนี่ยสติจะต้องตื่นตัวขึ้นกว่าเดิมไหมสติจะต้องตื่นตัวขึ้นกว่าเดิมสมาธิต้องแนบชิดติดลมมากกว่าเดิมใช่ไหมและปัญญาก็จะต้องรู้ชัดทุกขั้นตอนมากกว่าเดิมถ้างนั้นลมจะหายนี่ต้องระวังเอ่อ น้อมจิตเข้าไประงับกายอย่าสังขารลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่หยาบทั้งหมดให้เยือกเย็นสงบด้วยนะให้ไม่ใช่ไปฝืนแต่ให้ใส่ใจน้อมทําจิตให้เป็นสมาธิเมื่อน้อมไปเนี่ยลมจะค่อยๆสงบลงแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มีลมไม่ใช่นะให้ลมที่หยาบค่อยๆสงบลงท่านใช้คําว่าอาโภคาเนี่ยก็คือความคำนึงการนึกครั้งแรก การคำนึงการนึกครั้งแรกว่าเราจะระ ง, งับลมที่หยาบให้ละเอียดเราจะระ ง, งับลมที่หยาบให้ละเอียดเหตุผลก็คือว่าตอนนี้มันดูอย่างนี้ก็เห็นตลอดอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นต้องระ ง, งับลมให้ละเอียดลงละเอียดลงพอลมละเอียดลงเนี่ยจะต้องตื่นตัวขึ้นกับเดิมัหมสติจะต้องตื่นขึ้นมาความเพียรก็ต้องประคองสติและสมาธิก็ต้องแนบชิดติด ก, กับลมนั้นเดี๋ยวลมหาย ปัญญาก็ต้องจัดเก็บทุกขั้นตอนให้ได้อย่าไปน้อมเร็วถ้าน้อมเร็วเดี๋ยวลมหายพุดไปเลยนะตรงนี้นะเดี๋ยวสมาธิก็ไม่ตั้งอีูอันนี้บอกล่วงหน้าเพราะจะไม่อยู่แล้วบอกล่วงหน้าเขาไว้เข้าใจไหมล่ะบอกล่วงหน้าประการที่สอง สมานาหาระก็คือให้น้อมจิตนำไปก็คือนึกต่อๆมาเป็นชื่อของโยนิโสมนัสิการนะคำว่าอะโภคสมณนาหารมณสิการาเนี่ยปัจเวกนาเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เป็นชื่อของโยนิโสมนัสิการใส่ใจคํานึงครั้งแรกเป็นอะโภคาใส่ใจคํานึงตามมาเพื่อจะให้ลมละเอียดลงละเอียดลงเป็นสมานาหาระ ใส่ใจให้ถูกทางยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นเป็นมนาสิการะแล้วก็ปัจเจกคนาก็คือมันพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นพิจารณาใส่ใจในเหตุผลในสิ่งนั้นที่จะต้องทํากองลมให้ละเอียดลงละเอียดลงสติก็ตื่นตัวขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นความเพียรก็พยายามประคองสติประคองสมาธิแล้วก็ประคองปัญญาเพื่อให้รู้ชัดจัดเก็บได้ทุกขั้นตอนมากขึ้น ถ้าประคองสติสมาธิและปัญญาไม่ทันที่สุดจริงๆลมจะหายวับไปเลยอ่าสมาลมหายวับไปก็ไม่นิมิตก็ไม่มีไม่เกิดอีกตรงเนี้ยนิมิตก็ไม่เกิดทํำยังไงต่อหนึ่งใครไม่หายใจบ้างทารกในท้องหายใจไหมไม่หายใจอ่าคนดําน้ําหายใจไหมเดี๋ยวหาว่าใส่เครื่องอีกนะไม่เอาแบบไอ้ดำที่ไม่ใส่เครื่องเนี่ยนะไม่ใช่เครื่องช่วยหายใจนะ สคนตายสคนหมดสติเอาคนหมดสติอะหายใจไหมไม่หายใจหคนที่ได้เจตุตทชาญถ้าคนได้ชาญที่สี่ไม่หายใจนะรูปประพรมมารูปประพรมก็ไม่หายใจงั้นถ้าเราบอกพวกพร ม, มหายใจไหมเอาเท้ามหาพรหมเนี่ยหายใจไหมในวันที่สมัมฆดีพรหมลงมากราบพระพุทธเจ้าสมัมฆดีพรห ม, มหายใจหรือเปล่าไม่หายใจ <c oughs> ก็ไม่ต้องหายใจ โลบะพรมหรือปลบะพรมเนี่ยผู้เข้านิโรธสมาบัติก็ไม่หายใจเนี่ยถ้ายอมเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยยอมจะไม่หายใจเออถ้ามีใครบอกว่าโอ้ยฉันเข้านิโรธสมาบัติสมมตินะยอมไปวัดดูที่ยังหายใจถ้าหายใจอยู่นนี้ไม่ใช่นิโรธาจริงนิโรธาสมาบัติต้องไม่หายใจถามว่าเราใช่บุคคลเจ็ดจำพวกไหมไม่ใช่แสดงว่าลมหายใจมีหรือไม่มีมีแสดงว่าลมหายใจนั้นละเอียด แต่สติของเรามีกำลังน้อยไปสมาธิมีกำลังน้อยไปปัญญาน้อยไปความเพียรประคองไม่ดีพอฉะนั้นผู้ปฏิบัติอย่าตกใจพระเจ้าแสดงว่านาหังพิกเวมุตถสติสะสัมปัญญสะอาณาปานาสติภาวนาวนังวทามิสมาธิภาวนาวะทามิบอกดูก่อนภิกษุตั้งหลายเราแต่ถาคต จากไม่แสดงธรรมกาวคืออานาปนสติภาวนาแก่บุคคลผู้ปราศจากสติและสมัญชัญญาซึ่งสามารถจัดเก็บพิจารณรราโดยบัญญาตินั้นพระเจ้าจะไม่แสดงอานาปนาสตินะแก่บุคคลที่ปราศจากสตินั้นคนไม่มีสติเนี่ยพระเจ้าไม่แสดงถามว่าพระเจ้าจะแสดงอานาปนสติกับคนบ้าไหมแสดงไหมเพราะอะไรเพราะไม่มีสติงั้นอย่างพวกเราเนี่ย มีสติไหมพระธจ้าสแสดงอานาปานสติไหมงั้นคนปราศจากสติปราศจากสัมปชัญญะเจริญอานาปานสติไม่ได้ใช่ไหมงั้นเอ๊ะที่เดี๋ยวถามหน่อยว่าใครไม่เห็นลมบ้างอแสดงว่าสติมีไหมสติมีมัหยแสดงว่าสติไม่ค่อยดีใช่ไหมเนี่ยมันถึงไม่ค่อยเห็นลม ออต่อไปต้องฝึกให้ได้เราอย่าไปบอกใครนะว่าเราเป็นคนมีสติน้อยใครอยากรู้ว่าตนเองเป็นคนมีสติน้อยหรือมากให้มาฝึกอะไรๆถึงจะรู้ฝึกจเจริญอาณาปณสติพอเราฝึกพบเราไม่เห็นลมกระทบเข้ากระทบออกเราอย่าไปบอกใครน <c oughs> กลับไปบ้านแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าเป็นไงปฏิบัติก็พอเป็นไปได้ อย่างนี้นะก็พอเป็นไปได้แต่เรารู้แล้วต้องไปฝึกใหญ่เลยไหมเราต้องเพียรพยายาม เ, ยเราเพิ่งรู้ตัววันนี้เองว่าเราเป็นคนมีสติสัมปชัญญะอ่อนแอ ม, มากฉะนั้นอาณาปณะสติทำไมจึงเหมาะแก่คนที่เป็นโมหะฉลิตเพราะอะไรเพราะยิ่งฝึกแล้วอะไรยิ่งดีขึ้นสติยิ่งดีขึ้นปัญญายิ่งดีขึ้นฉะนั้นถ้าใครอยากฉลาด อยากมีปัญญาอยากมีกำลังของสติที่แข็งแรงและมั่นคงให้มาฝึกเจริญอาานาปานสติสมาธิเอาไปเขียนติดหน้าบ้านก็นได้ดีไหมเขียนติดก็ไว้เนี่ยกรรมฐานนี้เหมาะแก่เราจริงๆใช่พระรยาบอกว่ากรรมฐานใดก็ตามทุกกรรมฐานนะไม่ว่าจะเป็นกระสินสิบ อสุภาษิบอาณาปานาโกฏหาสบัญญัติพรมวิหารนะมรณาอนุสติอนุสติสิบเป็นต้นเหล่านี้กรรมฐานใดก็ตามบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยสติและปัญญาเท่านั้นจึงจะสำเร็จได้ตามความประสงค์นอกจากอาณาปานาสติกรรมฐานทนั้นยากยิ่งกว่ากรรมฐานอื่นใช่ไหม ตรงนี้ก็คือว่าฉะนั้นตรงนี้แหละว่าเมื่อเราลมหายใจหายไปแล้วเนี่ยระงับเจลละเอียดเยือกเย็นแผ่เบ า, เบาจนใส่ใจสมาธิเฝ้าดูณจุดกระทบที่ปลายจมูกหรือรอบๆริมลิปากอย่างติดต่ออย่างติดชิดอีกไม่นานสามารถจับลมที่ละเอียดเยือกเย็นแผ่เบานั้นได้เพราะอาศัยอะไรเพราะอาศัยพลังของสติที่มีกําลังอาศัยพลังของสมาธิที่มีกําลัง อาศัยพลังของสัมปชัญญะและปัญญาที่สุ ข, ขุมลุ่มลึกมากภาวนาจิตก็แนบชิดไว้กับลมที่ละเอียดเยือกเย็นแผ่เบาเมื่อสมาธิตั้งมั่นนิมิตก็จะเกิดขึ้นนี่ประสบความสำเร็จแล้วนั้นโยคีผู้เคยปฏิบัตินะในปฏิสัมพิธามากท่านบอกว่าโยคีผู้ปฏิบัติเคยสะสมบารมีไว้ในอดีตนะ เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกยาวสั้นก็ดีตั้งแต่ต้นจนสุดลมก็ดีละเอียดเยียกเย็นแผ่วเบาก็ดีต้องผ่านสี่ขั้นตอนหมดแหละต้องผ่านยาวผ่านสั้นแล้วก็รู้ตลอดสายแล้วก็ทํากองลมให้เผาเบาก็ดงั้นใครจะสร้างบารมีมันนานขนาดไหนปฏิบัติเร็วขนาดไหนพุทธเจ้าอย่างพทธเจ้าพระเจ้าก็ผ่านสี่ขั้นตอนสาวกพระเจ้ทาทุกองค์หรืออุบาสกไบสิกาทั้งหลายที่เจริญอานาปณสติก็ผ่านสี่ขั้นตอนเนี่ยโย รู้เข้ารู้ออกก่อนอันนี้ขั้นตอนนี้ยังไม่นับนะีเป็นขั้นตอนเตรียมยาวเข้าออยาวออกยาวขั้นตอนที้หนึ่งเข้าสั้นออกสั้นขั้นตอนที่สองมีความสมดุลแล้วต่อมาก็รู้ตลอดสายขั้นตอนที่สามแล้วก็ระ ง, งับลมละเอียดแล้วเข้านิมิตเกิดสมาธิกระตังมันง่ายไหมง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะเอาละ ตรงนี้ก็แสดงไว้เท่านี้นะต่อไปเดี๋ยวตอบปัญหาอีกนิดหน่อยแล้วก็ช่วงหกโมงจะมีการสอบปลรมเล็กน้อยแล้วอา จ, จมาอาจจะมามีเวลามาสรุปตอนเย็นนิดหนึ่งนะมากล่าวสรุปปลุกให้กำลังใจพวกเราจะได้มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติ เ อ, อ, อถามพวกเรานิดนึงนะว่าเนี่ยที่ทั้งอธิบายมาตั้งแต่แรกๆจนถึงวันเนี้ยเชื่อไหมว่ากรรมฐานานาปนสติสมาธิเนี่ยว่าจะเป็นทางจะเป็นช่องทางแห่งการบรรลุของเราได้จริงเชื่อไหมเ ช, ชื่อมั่นไหมว่ากรรมฐานนี้แหละเราจะเอาเป็นบาตแห่งการที่จะเป็นปัจจัยต่อการพ้นจากทุก เราเปความเชื่อมั่นอย่างนี้ไหมเออถ้าเป็นคนดีมีทานศีลภาวนาไม่ปฏิบัติสมาธิไม่มีทางบรรลุพระนิพพานเลยใช่หรือไม่ถ้าเป็นคนดีมีทานศีลไม่ปฏิบัติสมาธิ ไม่มีทางบรรลุพระนิพพานเลยใช่หรือไม่คือต้องบอกว่าถ้ามีแค่ทานและศีลไม่ฝึกสมาธิไม่เจริญปัญญาต้องพูดให้ครบนะไม่ไม่ฝึกสมาธิและไม่เจริญนิปัาสนาปัญญาไม่สามารถบรรลุพระนิพพานได้จริงไหมบอกจริงเพราะทานกับศีลเป็นไปในวัตตะมีเยอะมาก เอพอพระเอิญไม่ค่อยมีเวลาถ้า้เดสรุปให้ฟังตรงนี้ก็แล้วกันว่าเออมันมีพบอยู่พบหนึ่งนะเขาเรียกอุตรากุรุปทวีปอันนี้เป็นพบของมนุษย์ในพบเนี้ยเป็นพบที่เขาอยู่แค่ทานกับศีลและอินทรีย์เขาไม่แข็งแรงฉะนั้นถ้าคนที่ไปเกิดในพบเนี้ยอินทรีย์ก็อยู่ระดับกลางๆศรัทธากลางๆวิรยิยะสติสมาธิปัญญาอยู่กลางๆ ไม่สูงปีตขึ้นในในชมพูทวีปเหมือนเราและก็ไม่ต่ําลงไปเหมือนกับพวกอบายสัตว์แต่ในชมพูทวีปเนี่ยเนี่ยทวีปที่เราอยู่เนี่ยเราจะเห็นความหลากหลายของอินทรีย์เออบางคนนี่ศรัทธาสูงมากศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสูงสามารถบรรลุปเป็นพุทธเจ้าสาวพพุทธเจ้าปัจเจพรพุทธเจ้าเยอะหมดเลยและพ้นทุกข์ได้แต่บางคนก็แค่แค่กลางๆเรื่อยๆอย่างที่โยมว่ามันเนี่ย อยู่กค่ทานแค่ศีลยอมเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีปฏิบัติอยู่คันนั่งเขาไม่ได้สนใจจะบรรลุนิพพานอะไรหรอกเขาก็มาจัดกิจกรรมกันเพื่ออยู่กับทานกับศีลเขาก็เป็นคนดีปกติเองาเนี่ยก็มีจัดกิจกรรมการมีการสนุกสนานอะไรต่างมีอยู่ซึ่งมีเยอะอย่างเงี้ยเขาไม่คิดอยากพ้นทุกข์แต่เขาก็ไม่ได้ไปทําชั่วอะไรนะนั้นแต่ลองจัดกิจกรรมแบบนี้ดูที คนไหลเข้ามาเป็นพันเป็นหมื่นนะอย่าลองไปจัดกิจกรรมดิอ้าวมีการสังสรรค์กจจันเจริญเรากลุ่มคนดีทั้งหลายเนี่ยอันนี้มีอยู่กลุ่มเหล่านี้ถามว่าถ้าเขาจเจริญแค่ทานแค่ศีลและมีอินทรีย์ต่ำอยู่ระดับกลางๆอย่างเงี้ยถ้าตายแล้วเนี่ยนะถ้ากุศลนี้ให้ผลนะเขาจะไม่ได้เกิดในชมพูทวีปแต่เขาจะไปเกิดในอุตตรกรุทวีป อุตรากุลุธวีบเนี่ยไปในพบนั้นเน่เาไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการลักทรัพย์ไม่มีการประพฤติผิดในกรมไม่มีการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจ้ไม่มีของมืนเมาแล้วเขาอยู่กันแบบธรรมดานี่แหละไม่มีบ้านเรือนด้วยหรอพบนั้นมันสะดวกสบายอุตุมันมันเหมาะสมไปหมดน่ะมันหนึ่ง มันมันสมบูรณ์มากไม่มีฝนแฝนตกฟ้าล้องแผ่นดินถลม่มเกิดลมพายุใหญ่ไม่มีมันมีความสมดุลหมดเลยแล้วเวลาไปเนี่ยเวลาไปเห็นกันเนี่ยเขาเกิดความยินดีเขาก็เกี่ยวข้องกันพอเกี่ยวข้องกันเบีเสร็จแล้วเขาก็ไปแจกจากกันแล้วเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นกันแล้วและในขณะเดียวกันไอ้คนนั้นตั้งคันเออการตั้งคันท้องก็มีโยออกมานะเวลาคลอดเด็กออกมาเขาทิ้งเลย เขาทิ้งเลยเใครมาเห็นอา้าวมีเด็กเนี่ยเขาจะเอานิ้วมือเด็กร้องแง่แเนี่ยเอานิ้วมือแย่ใส่ปากน้ำนมวิ่งออกจากมือเลยโยน้ำนมวิ่งวิ่งปูดออกจากมือเรากินนมเขาก็ไปกันแล้วทีเออถ้าไปเจอคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาทาไงเขาจะไม่เกี่ยวข้องกันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยคนในประเทศนั้น น, ะน่ะเหมือนกันหมดเลยเคนในโลกใบนั้นน่ะเหมือนกันหมดหน้าตาทรงสี่เหลี่ยมย อุตระกุรุทรงสี่เหลี่ยมยอมใกลจ้จะเป็นนี่ยังเนี่ยกีี่เหลี่ยมเนี่ยหน้าตานี่นะเออแล้วสมมุติถ้าไปเจอคนที่เป็นพ่อเป็นแม่กันเขาก็จำกันไม่ได้เพราะหน้าตาเหมือนกันแต่อะไรจิตสำนึกเขาจะไม่เกิดกำหนัดยินดีกับคนนั้นอยากไปเกิดไหมเล่าพวกนี้ไม่พ้นทุกข์ เขาอยู่งั้นแหละอายุพันปียอมอายุหนึ่งพันปีแค่นั้นแหละแต่พอตายจะพบนั้นแล้วอย่างดีก็ไปเกิดสวรรค์นะแต่ถ้าพบต่อไปตกนรกมันก็ออกจากวาตาไม่ได้เรื่องพบภูมิเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะแต่ว่าพวกเรามันไอ้เวลาจํากัดกันเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ยอมสนใจพบนี้ไหม ศรัทธาเขาไม่สามารถที่ทําให้แข็งแรงได้เต็มที่วิริยะแข็งแรงเต็มที่ก็ไม่ได้สติสมาธิปัญญาเนี่ยก็อยู่ระดับกลางแค่นี้แหละฉะนั้นถ้ากลุ่มบุคคลเหล่านี้มีโอกาสมาเกิดในโลกมนุษย์บุคคลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคนชอบแค่ทานแค่ศีล น, นี่ก็เป็นคนดีทังสังคมไม่ว่าลายไม่อะไรใครเป็นคนดีนี่แหละแต่ถ้าชวนออกจากวัตะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไหมของไม่หรอกชีวิตก็สบายสบายอยู่นี่แหละเพราะงั้น เห็นคนตายเขาก็เฉยเฉยเหมือนสัปะเลรเห็นเนี่ยเหมือนหมอเนี่ยมันหมออยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเห็นคนตายทุกวันก็ไม่เป็นไม่เป็นไรตายก็ตายไปแต่ก็ยังเกี่ยวข้องเรื่องการมวุณเรื่องอะไรอยู่เพราะอะไรปัญญามันไม่ไม่เฉียบแหลมเพราะอินทรีย์มันอยู่ระดับกลางอยู่นี่มีอยู่อถามว่านิพานคืออะไรถ้าได้นิพานแล้วจิตอยู่ตรงไหนเออนิพ ไอ้อามาหายใจนี่แปลว่าอะไรเนี่ยนิพพานเนี่ยคำว่านิเนี่ยแปลพ้นวานาในเว่าตันหานิวานาเนี่ยแปลว่าพ้นจากตันหาหรือวานาแปลเครื่องร้อยรัทก็ได้ตันหาราคาทั้งหลายความกําหนัดเพื่อเพื่นเนี่ยฉะนั้นนิพพานนิพพานตัวเนี่ยแปลว่าพ้นจากเครื่องร้อยรัทคือตันหาพ้นอย่างเด็ดขาด ไอตัวตันหาเนี่ยเป็นตัวยางเหนียวมันไปเชื่อมกับ ก, บกรรมคือเจตจํานงไปเชื่อมกับอวิชาคือความมืดบอดนะและไปเชื่อมกับอุ ป, ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นไอเกิเลตเหล่านี้มันอยู่ในกระแสะชีวิตของสัตว์ฉะนั้นเมื่อสัตว์เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการทํากรรมให้ทานรักษาศีลกับสุคติงไงทำอกุศลกรรมอบอดก็ลงอภัยทุคติวิบากใ น, นโลกไงสัตว์โลกมันก็อยู่อย่างเนี้ย สุกติทุกติสุกติทุก ต, ติแต่สุกติเนี่ยเป็นบ้านชั่วคราวเป็นที่มาเที่ยวชั่วคราวอบายทุกติวิบัตินรกเป็นบ้านถาวรพวกเราเนี่ยมาเที่ยวโลกมนุษย์ชั่วคราวเดี๋ยวก็จะกลับบ้านถาวรเป็นอย่างนั้นอย่างยิงอยากกลับหรือยังจะไปเที่ยวไหนต่อเอาจะไปไหนต่อ จะไปไปที่ไหนจะตัวหมหาราชิกาอยากไปเที่ยวไหมต้องมีเงื่อนไขนะสีลห้าไม่พอนะพวกสุขติที่ระดับสวรรค์เนี่ยถ้าสีลห้าก็คือมนุษย์สีลห้ากุศลก ร, รมโมวัตเนี่ยเป็นได้แค่มนุษย์นะแต่ถ้ากลมพวกวันพาคแปดข้ามสิบ้า้ามพวกนี้เขาสมาทานสิน8ปของเขาเป็นอัธยาศัยพวกนี้เขาไปสุขติสูงกว่านี้แต่แต่ไปหมดเงื่อนไขหมดหมด หมดแรงหมดกําลังกรรมตกมาไหมบางทีมันไม่ตกมามนุษย์นะมันตกเลยมนุษย์ไปอาบายนู่นเนี่ยตกไปขนาดนั้นเน่ยเห็นไหมว่าบริวารของเท้าสักกะก็ดีบริวารของสุพรมเทพระบุตรก็ดีเนี่ยนี่ลงอ้เบจีได้ทําไมนั่นไมีใช่ยีหัวเสียวฉะนั้นบ้านชั่วคราวไอ้ที่เที่ยวชั่วคราวเนี่ยไม่ถาวรเลยโยมทีนี้เงื่อนไขก็คือว่านิพพานคืออะไร ถ้าสามารถเป็นพระโสดาบันแปลว่าเข้าถึงกระแสพรนิพพานครั้งแรกนะแปลว่าจะไม่ไปเกิดอยู่สภูมิหนึ่งจะไม่เกิดในสัตว์นรกจะไม่เกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็อสุอสรอากาย4นอกนั้นยังเกิดมนุษย์ยังเป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้แต่ไม่ได้ไปสุดทวาร น, นืเ น, เ, นเนี่ยเงื่อนไขเป็นอย่างเงี้ยคือเข้าถึงนิพพานครั้งแรก เข้าถึงนิพพานครั้งที่สองเป็นพระสกท า, าคามีแปลว่าถ้าจะลงมากาบ ม, มาภูมิก็ลงมาเพียงครั้งเดียวนอกนั้นก็อยู่สุคติถ้าเข้าเป็นเข้าถึงพนันิพานครั้งที่สเป็นพราะนาคานะตามเงื่อนไขคืออยู่ในสุทาวาสภูมิหรือในรู ป, ปรภูมินั่นแหละถ้าใครไม่เป็นพราะนาคาเกิดในภพภูมินี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพนาาระอรหันต์เขาเรียกปรินิพพานก็มาตรงประเด็นว่านิพพานคืออะไร นิพพานก็คือการดับขันหดับกิเลสก่อนเป็นกิเลสนิพพานแล้วกระแสขันห้าทั้งหมดเหมือนพระเจ้าปรินิพพานดับดับแล้วไปอยู่ไหนจิตไปอยู่ไหนยอมเอางี้ว่าไฟไฟที่จุดตะเกียงเนี่ยน้ำมันหมดไส้ก็หมดไอ้ไฟดับแล้วไฟไปอยู่ไหนนั่นแหละนิพพานเป็นอย่างนั้นแหละ แต่ก่อนก็คือว่ายอมอยากนิพพานแบบนั้นไหมตอนนี้ยอมไม่อยากเลยนะถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมยอมอยากเกิดอยู่ใช่ไหมโดยส่วนใหญ่คนอยากเกิดแต่อย่าลืมนะคนที่ก็ปราถนาจบการเวียนว่ายตายเกิดคือเขาถึงปราถนาเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันก็ยังเกิดอยู่ใช่ไหมแต่จะไม่ลงอบายภูมิถ้าพูดแค่นี้ยอมอาจจะคิดว่างั้นขอเป็นพระโสดาบันดีกว่าใช่ ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นางวิสาขาอยู่ไหนรู้ไหมถ้าอยู่ไหนอยู่นิ ม, มานราดีเป็นพระมเหสีของเท้านิ ม, มานราดีอานาถาอยู่ที่ไหนชั้นดุสิตนะอยู่ชั้นดุสิตแล้วใครพระเจ้าพิมพิสารอยู่ไหนจารุมหาราชิกาอย่างนี้เป็นต้น อาพวกเราจะไปไหนนี่เขาจะนี่นิพานนะเนี่เลยเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ตอบเอาไว้ตอบตอนในหลังจากสักปานสองทุ่มดีนะประมาณนะั้นขอจริงที่จริงที่จริงเหลืออีกข้ อ, ของเดี๋ยวเนี่ยไม่จริงจะตอบก่อนก็ได้ค่ะที่จริงเดี๋ยวรนิดหนึ่งเอาให้จบใบนี้ก็ได้เจ้าค่ะข้อเดียวใบเนี่ยเฉพาะใบเนี้ย ทำไมพระพุทธเจ้าต้องปรินิพานจะให้ท่านอยู่ทำไมใช่ไมทำไมไม่อยู่ช่วยสอนชาวโลกให้พ้นทุกทุกคนก่อนแล้วจึงค่อยจึงค่อยปรินิพานออย้อนถามงี้วิธียถ้าเจอประเด็นปัญหาเนี้ยทำไมเราไม่อราธนาพระเจ้าให้อยู่ เพราะว่าเหตุผลที่พระเจ้าปรินิพานเพราะใครอาราธนาเพราะพยามารอาราธนาพระเจ้าเนี่ยกระแสชว่อเจ้าใครขอพระเจ้าให้เลยนิมานขอเพราะมารเขาช่วงชิงจังหวะได้ไวกว่าพวกเราอันนี้เป็นความผิดของนี่แหละยมที่มาปฏิบัติกันที่โยพูดนี่แหละไม่ยอมอาราธนาพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมอันนี้จริงนะพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ความผิดของท่าน อันนี้เป็นความผิดของเธอแต่ผู้เดียวมีพระอนนทเป็นประธานมีอันนี้พู้หญิงนะ น, นี่เป็นความผิดของเธอแต่ผู้เดียวก็คือของพุทธบริษัทที่มีพระนนเป็นประธานไม่อาราธนาท่านเพราะท่านทำนิมิตโอภาสตั้งสิบหกครั้งแล้วไม่อลลาธนานี่แหละแต่ถามว่าถึงแม้พระเจ้าจะปรินิพพานแต่พระเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุ ท, ทั้งหลาย ใช่ไหมรมและวินยัยนะที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทมและวินัยนะั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราฉะนั้นตอนนี้พระพุทธเจ้าปรินิพานเพียงขันห้าแต่พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมวินยัยที่มานั่งกันมาปฏิบัติกันในคอสนี้เราได้ฟังธรรมะทุกวันหมธรรมะนั้นคือใครคือพระพุทธเจ้า ฉะนั้นพระพุทธเจ้าอยู่กับท่านที่เข้าถึงว่าธรรมนะพระธรรมก็จะอยู่กับกระแสะชีวิตของท่านทั้งหลายที่เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาตอนนี้ศีล ส, สมาธิปัญญานั่นแหละคือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เราอราธนาพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาประชมอยู่ในกระแสะชีวิตของเราทุกคนแล้วเราจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกเวลาทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่มีพระสสดาบัายังไม่มีการทําบาป ขนาดเอาเหล้านี่นะใส่ในปากยังเล่ายังไม่ไหลลงไปในคอเลยแล้วพระสสดาบาลจะไม่ทําบาปเด็ดขาดเอามดตัวหนึ่งแล้วก็เอาเอาเอ า, เอามีดเจาะค อ, อ, อหอยท่านท่านที่เป็นพระสวสดบิบาลว่าถ้าท่านไม่ฆ่ามดตัวนี้เราจะตัดศรีรษะท่านคนที่เป็นพระสสดาบาลจะยอมตายไม่ยอมบี้มดอัธยาศาัยท่านมั่นคงขนาดนั้นท่านปิดอบายภูมิได้แล้วท่านไม่ทําบาป ท, ทั้งท้งที่รู้ ไม่มีบาปในที่รับในที่แจ้นั่นคืออัยาศัยของพระโสดาบันอยากเป็นไหมนั่นต้องเจริญอาณาบรรณาสติ อ, อ้าวเจญ